ตอนเช้านะเราก็มารวมกันนะเพื่อทานอาหารการทานอาหารอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะต่อชีวิตแต่บางครั้งเนี้ยเราก็ไม่ได้ทานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างเดียว ความมเด็อร่อยหรือความสุขนะก็เป็นจุดมุ่งหมายนะของการเสพการบริโภคของเราซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงการเสพการบริโภคเนี่ยมันก็ไม่ได้จำกัดแต่เฉพา ะ, ะการกินอาหารเท่านั้นนะบางทีเราบ่อยครั้งด้วยซ้ำเนี่ยเราก็เสพทางตาทางหูทางจมูกนะ ทางสัมผัสกายตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเสพกันมากนะนอกจากทางปากแลคือทางตานเนี่ยก็คือการเสพข้อมูลข่าวสารนะแต่ก่อนนี่เราฟังทางหูนะเราเสพทางหูกันมากนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันอย่างมากก็มีแค่วิทยุนะ แต่ต่อมาก็มีโทรทัศน์นะเราก็เศษทางตามากขึ้นแต่โทรทัศน์นะเมื่อสี่สิบห้าสิปีก่อนนะมันก็มีเป็นเวล่่เวลานะ<ม>เช่นไปจะเปิดสถานีโทรทัศน์ก็สี่โมงบ่ายสี่โมงเที่ยงคืนก็เลิกแต่เด๋ยนนี้นี่เรามีโทรทัศน์ดูกันทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่สามสี่ช่องอย่างแต่ก่อนนะมี เป็นร้อยยช่องและเดี๋ยวนี้มันก็นะมาในรูปที่สะดกง่ายสะดวกมากขึ้นนะก็คือมาทางโทรศัพท์แต่ก่อนนี้โทรศัพท์นี่เรา เ, าเอาไว้ใช้ฟังนะเสพทางหูนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็เสพทางตาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือข้อมูลข่าวสารโดยเว่าะข้อมูลข่าวสารเนี่ยข้อความต่างๆนี่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็น สิ่งที่คนเมืองขาดไม่ไดนะ้ทั้งวันนี่มันก็จะมีเสียงเตือนให้เรานะหามาดูว่ามีข้อความอะไรบ้างนะต้องหยิบโทรศัพท์มาดูหลายคนนะ8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ว่าได้ตื่นเช้าขึ้นมาอย่างแรกอย่าง ก, กที่ทำนะภายในเวลาสิบห้านาทีหลังจากตื่น ก็คือการเปิดโทรศัพท์เช็คข้อความและเดียวนี้เราเช็คข้อความทางโทรศัพท์นี่ไม่ใช่เฉพาะเวลาว่างๆนะเวลาทำงานนะเราก็อดนะอดชำเลืองนะอดมองไม่ได้ว่ามีข้อความเข้าเข้ามาหรือเปล่า สมาธิเนี่ยซึ่งเป็นของหายากอยู่แล้วนะสาหรับคนในเมืองมันก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่พอแม้แต่เวลาจะกินข้าวก็ไม่มีสมาธินะต้องคอยดูข้อความหรือไม่ก็ถ่ายรูปท่งนะภาพส่งข้อความไปให้เวลาจะคุยกับเพื่อนนะก็ไม่่อยมีสมาธิละก็มมีเสียงปิ้งๆิงินะมาเป็นระยะระยะ ยิ่งเวลาทำงานด้วยแล้วนี่นะซึ่งสมาธิเป็นสิ่งจำเป็นมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่หรือมีก็ไม่ค่อยต่อเนื่องมีสักสามนาทีก็ถือว่าปิงแล้วนะกว่าคนเราจะมีสมาธิทำงานได้ก็ต้องใช้เวลานะพอมีสมาธิปุ๊บอ้าวมีข้อความเข้ามาน่าต้องเปิดอันนี้เราเป็นการเสพนะเป็นการเสพข้อมูลข่าวสารซึ่งสมัยนี้เนี่ยมัน มันเกินพอดีไปละเวลาเรากินอาหารเนี่ยพระอุตจ้าก็จะสอนจกเตือนว่าเนี่ยให้รู้จักประมาณในการบริโภคคําว่าบริโภคสมัยก่อนก็หมายถึงการกินอาหารนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้การบริโภคมันรวมไปถึงการเสพข้อมูลข่าวสารทางตาด้วยคนเดี๋ยวนี้นี่ในแง่หนึ่งนะก็มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่สิ่งที่มาควบคุ่กันไปคือนะความวา้าวุ่นในจิตใจหาความสงบไม่ไดนะ้เพราะว่ามันมีสิ่งคอยดึงความสนใจเราไปตอลอดเวลาพวกโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือนี่เนะขามีจุดมุ่งหมายสำคัญเลยนะก็คือดึงความสนใจของเรานะ ให้มาจดจอออยู่กับตัวเขานะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เฟซบ o o กเนี่ยนี่ตัวดีเลยเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะใช้เวลาอยู่กับเขานานๆ น, นะจึงมีการมีปุ่มให้กดไลค์นะมีปุ่มให้แชร์บางคนเนี่ยนะทีแรกก็ว่าจะโพสแค่อาทิตย์ละวันแต่พอมีคนไลค์มากขึ้นก็ขยับมานะจากอทิละวัน อาิละครั้งอัตวันจากวันละครั้งก็เป็นวันละสองครั้งพอมีคนกดไลค์มากขึ้นนะวันละสองครั้งก็เป็นวันละสามครั้ง4ี่ครั้งเนี่ ย, เ, ยเรียกว่าเป็นกู ป, ปูบายในการล่อให้เราเนี่ยมาจดจอ่อสนใจเขานะมีนิวส์ฟีต่างๆมากมายที่โดยแล้วแต่น่าสนใจเพราะว่าเขาจะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เราสนใจ ถามว่าเขาู้ได้ยังไงก็ก็รู้จากการที่เราใช้ บ, บ, บ่อยๆนะไอ้โปรแกรมก็จะสามารถทำนายหรือคาดเดาได้ว่าเราชอบอะไรวันนั้นก็จะต้องป้อนสิ่งที่เราชอบเราก็เลยอยู่กับมันนานขึ้นทีแรกว่าจะดูสักสิบ้านาทีหรือบางทีแค่สมนาทีสองนาทีเราก็ปลาเข้าไปนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงนะ่ก็เป็นว่าสิ่งที่อยากทาก็ไม่ได้ทาเวลาที่จะให้กับลูกกับหลานก็ไม่มี และเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนเราติดนะผูกติดกับโทรศัพท์มากนะเขามีการทดลองนะว่าโทรศัพท์ที่ปิดเสียงเนี่ยนะถ้ามาวางไว้บนโต๊ะขณะที่ทางานไปด้วยเทียบกับคนที่เอาโทรศัพท์ไปวางไว้อีกห้องหนึ่งนะโทรศัพท์เนี่ยที่วางไว้บนโต๊ะทั้งนั้นที่ปิดเสียงและคว่มหน้านะความหน้าไม่เห็นไม่เห็นจอนะ ไม่มีการไม่มีเสียงที่ส่งมาให้ได้ยินว่ามีสัญญาณเข้ามาข้อความเข้ามาก็เ พ, าเพราะว่าแม้กระทั่งคนที่เอาโทรศัพท์วางไว้บนโต๊ะนะและปิดเสียงความหน้าการทำงานเนี่ยประสิทธิภาพลดลงนะประสิทธิภาพลดลงเมื่อเทียบกับคนที่เอาโทรศัพท์ไปวางไว้อีกห้องหนึ่งนะหรือว่าคนที่ไม่เห็นโทรศัพท์ นี่มันแปลว่าอะแปลว่าเราพะวงนะแม้แต่โทรศัพท์วางไว้ข้างหน้าเราจะพะวงนะพะวงไว้จะเปิดโทรศัพท์ดีไหมหรือจะเช็คข้อความดีไหมแม้แต่ในใจที่บอกว่าอย่าพิ่งเปิดโทรศัพท์นะอย่าพิ่งเช็คข้อความแค่นี้ก็ทําให้เสียสมาธิแล้วนะทําให้เสียสมาธิจงกระทั่งทํางานเนี่ย ประสิทธิภาพมันลดลงนะอันนี้ก็ทําวิจัยมาเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ในห้องกับห้องอื่นนะนะกับคนที่เอาโทรศัพท์มาวางไว้บนโต๊ะนะใกล้ๆตัวเนี่ยหรือแม้แต่เอาโทรศัพท์ไปไว้ในกระเป๋าเนี่ยนะอยู่ ใ, ใกล้ๆตัวนี่แหละแม้จะปิดเสียงไม่มีสัญญาณเตือนระบบสั่นก็ตามนะแต่ก็ทําให้สมาธินี่ลดลงคือทําให้ใจวอกแวก เพราะว่ามันพวงนะพวงเรื่องนะอยากจะเปิดข้ออยากจะเช็คดูข้อความนะเพราะทานี่มาเป็นเป็นนิสัยละวันลาเป็นสิบเป็นร้อยครั้งเห็นแล้วเป็นไม่ได้เห็นแล้วเป็นต้องมาเช็คข้อความแลนะนะมันมีความอยากที่ทำให้ใจเสียสมาธิและการที่พยายามห้ามใจว่าอย่าเปิดจะเปิดอันนี้ก็ทาให้ การทำงานของเราเนี่ยเพราะการใช้สมองเนี่ยนะมันคุณภาพต่ำลงนะเพราะว่าไม่มีสมาธิมันมีสิ่งรบกวนจิตใจแล้วข้อทดลองเป็นสร้างว่าแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่ปิดแล้วนะปิดเครื่องนะปิดเครื่องเนี่ยไม่มีสัญญาณเข้ามานะมาวางไว้ตนใกล้ๆเห็นหน้าเนี่ยใกล้ๆตัวเนี่ยเหลือมองเห็นเนี่ยก็ยังทำให้ไม่มีสมาธิได้ พอ <demi> ใจหนึ่งมันก็อยากจะเปิดเปิดเพื่ออะไรเพื่อดูข้อความเพื่อจะได้เสพนะแด้การเสพข้อความการเสพข้อมูลข่าวสารนี่มันไม่รู้จักอิ่มนะมันอิ่มยากไม่เหมือนกา ร, ก, ารกินข้าวกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวเรากินเสร็จนี่เราก็อิ่มแล้วพออิ่มแล้วเราก็ไม่อยากกินอย่างมากเราก็แค่ตุนนะแต่ว่าเสพข้อมูลข่าวสารนี่มันไม่มันไม่อั้นนะเสพได้เรื่อยๆ อาจจะไม่ใช่เป็นข้อความตัว อ, อ, กอักษรอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นคลิปวิดีโอนะก็ดูได้เรื่อยๆนะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสิ่งรอเราหลายอย่างเช่นเกมนะติดนะติดทั้งวันเลยเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยนะนี่ก็เป็นการเสพบิดอันหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากเพราะว่ามันทำให้คนเนี่ยไม่เป็นอันทางานไม่เป็นอันหลับอันนอนคนที่ พรตายเนี่ยเพราะว่าเล่นเกม36ชั่วโมงติดต่อกันนี่มีนะแล้วก็มีหลายคนด้วยโดยเพราะประเทศที่ก็มีอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าไวรวดเร็วเช่นไต้หวันเกาหลีนี่นะตายคาตายคาเครื่องหรือว่าตายนะคาโทรศัพท์นี่ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเพราะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะและที่ไม่รู้จักประมาณเพราะขาดสติก็เรียกว่าหลงนะ อย่างที่พูดเมื่อเช้าเนะีคนเรานี่หลงมากก็รู้และสิ่งที่กะยั่วยนให้เราหลงเนี่ยนับวันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีมันมาพร้อมความสะดวกสบายซึ่งใครๆก็มักจะมองเป็นของดีนะแต่ว่ามองไม่เห็นว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างเราได้ความสะดวกสบายแต่เราสูญเสียอะไรไปบ้างนี้ไม่คยนึกเท่าไหรนะ่โดยพราะความสงบในจิตใจโดยพราะสมาธิโดยเ พ, าะ เ, า, ยเพาะเวลาที่จะต้องให้กับ พ่อแม่ลูกหลานหรือว่าเวลาหลับเวลา น, นอนอ่แล้วก็พูดกันช้า